นั้นสาคัญที่สุดว่าเอ้ยปัญญาเป็นยังไงแล้วมันโตขึ้นได้ยังไงเนี่ยนะและที่สําคัญอย่างอย่างพระองค์เนี่ยความที่ที่มีปัญญาเนี่ยทุกๆเหตุการณ์เนี่ยนะสังเกตาาตัวอ่านในชาดกก็ตามพระองค์มีปัญญาช่วยเหลือให้คนที่กําลังจะทําปานาติบาสพ้นจากปานาติบาต น, นะมีปัญญาช่วยให้คนที่กําลังทำอาทินนาทานหรือได้รับการถูกทำอาทินนาทานทํากาเมอช่วยให้คนอื่นพ้นภัยได้อะ อันนี้คือความที่พระองค์มีปัญญาอย่างเช่นในมโหสถชาดกเนี่ยนะนะพระองค์มีปัญญาเนี่ยมหาสงครามกษัตริย์ร้อเอ็ดหัวเมืองเนี่ยมันสงครามมันจะบรรลัยเครียกว่าแทบจะล้างบ้างล้างเมืองอะนะท่านคิดทํำยังไงแล้วทุกอย่างไม่มีสงครามเลยเงียบหมดสงบหมดโดยที่ไม่มีสงครามขึ้นมาเลยเพรัะอย่างหลายๆคนอย่างของแบ้งเนี่ยนะคิดจะจนมีสงครามฆ่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะนะอันนั้นไม่เรียกว่ามีปัญญาที่ไหนเรียกว่าไร้ปัญญามากเนี่ยนะนะเพราะอะไรเพราะคิดแต่วิธีฆ่าคนอื่น ซึ่งก็เท่ากับวางแผนให้คนอื่นฆ่าตัวเองในอนาคตเนี่ยนะก็เท่ากับวางแผนให้ตัวเองถูกฆ่าต่อไปในอนาคตนั่นเองเพราะน่ะคนที่มีปัญญาจริงๆอ่ะทำยังไงจะให้คนอื่นเนี่ยนะที่ไม่มีศีลให้เขามีศีลเนี่ยนะที่คนที่มีศีลให้เขามีศีลอยิ่งๆขึ้นไปคนที่ไม่มีหิริโอตตะปะทำยังไงให้เขามีหิริโอตตะปะคนที่เขาเดือดร้อนในเรื่องปัจจัยศีลทำยังไงให้เขา บริบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่คนที่เขามีความทุกข์ช่วยยังไงให้เขามีความสุขเนี่ยนะคนที่เขามีความสุขทำยังไงให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทำยังไงคนที่ได้รับความสุขในโลกนี้แล้วอ่ะจะได้มีความสุขในโลกต่อไปแล้วก็เป็นฐานรองรับให้เขาได้รับความสุขที่อย่างยิ่งจริงๆเลยเนี่ยนะแล้วคนที่มีปัญญาก็ไม่เดือดร้อนด้วยตัวเองด้วยประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ได้รับประโยชน์กันโดย ทั่วหน้าเนี่ยนะคือเรียกว่ามีปัญญาอย่างแท้จริงนั้นั้นคนที่มีปัญญานั้นจึงสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกช่วยโลกให้พ้นจากชาติชรามรณะช่วยโลกให้พ้นจากโสกปริเทวะช่วยโลกให้พ้นจากทุกโทมนัตและอุปาญาตให้พ้นจากความคับแคบพ้นจากความทุกข์ความยากพ้นจากกันดารเนี่ยนะพ้นจากภัยพ้นจากสิ่งที่น่ากลัวพ้นจากสิ่งที่หวาดวันแล้วก็ ภาวะดนั้นผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะจึงแล้วก็พระองค์เนี่ยมีปัญญามาตกอยู่ในสถานการณ์เหล่าใดพระองค์ก็ไม่เผลอเนี่ยนะไม่เผลอเลยอย่างคิดดูนะว่าอย่างอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะตอนที่อยู่ดุสิตเนี่ยพระองค์มีสติสัมปชัญญะอยู่ในดุสิตตลอดอายุไขถามว่าทําไมทําไมจะต้องมีปัญญาด้วยเหรอก็บอกมีสิเพราะอารมณ์มันรุนแรงมากเพราะงั้นนะเช่นอ่าทวารตาเนี่ยนะสีทวารตามันสวยไปทุกภาพหมดอนะ่ะ แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดมาอยากเห็นแต่ภาพพวกนั้นด้วยทั้งหมดนะเอาเถมันจะเป็นยังไงมันจะติดขนาดไหนก็ได้ยินแต่เสียงที่ตัวเองเกิดมาอยากจะฟังแต่เสียงชนิดนี้เนี่ยนะแบบแค่จะกลิ่นนี่ไมอยากจะได้กลิ่นแต่ชนิดนี้มานานแล้วเนี่ยแล้วมีแต่กลิ่นแบบนั้นเลยเนี่ยนะไม่อยากได้รถชนิดนี้มาตั้งมารถเนี่ยนะรสชาติของอาหาร ถ้ารอยยแบบนี้เนี่ยแหละนี่รถในสเปคชั้นละเนี่ยนะแสวงหาทุกอย่างก็เพื่อให้แบบนี้แหละแล้วมันมีแต่รถแบบนี้สุขภาพกายให้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วมันสบายแบบนี้เนี่ยแท้จากเรกียกว่าเหาะได้เนี่ยนะมันเบามันสบายไม่ปวดไม่เมื่อยล่ะโอ้ยสบายจริงๆเลยเนี่ยนะคิดอะไรคิดอยากได้รูปก็ได้รูปปราธนาเสียงก็มีเสียงปรารธนากลิ่นก็มีกลิน่นคิดจะได้อะไรมันก็ได้อย่างใจคิดหมดทุกอย่างเนี่ยนะถามว่ามันจะถูกครอบงํำไ้มล่ะ ก็บอางคนบอกโอ้ยไม่ไม่หนึ่งขอให้มันจริงเถอะมันเชื่อสังเกตดูพิสูจน์ดูกันแล้วถ้าถูกด่าเนี่ยนะยังเจริญสมถาวิปัสสนาได้ไหมขณะที่เขากําลังนั่งชมเราเนี่ยนะฮึ่มปลื้มเลยนะลืมสมมถาวิปัสสนาตกกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยนะบางทีก็มันรวมๆแล้วเนี่ยอารมณ์เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดอย่างแท้จริงเป็นต้นเนี่ยแล้วจะอยู่อยู่แบบมีสติสัมปชัญญะไม่เผลอเนี่ยนะ คิดว่าเหตุการณ์เหล่าใดสถานการณ์เหล่าใดจะยั่วยุรุนแรงขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นมันจะดึงไปขนาดไหนก็หนักแน่นมั่นคงและรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรดีอะไรไม่ดีวิจารณญาณอย่างแม่นยำเนี่ยนะไม่คิดว่าไม่กำหนัดในไม่ติดไม่ข้องในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความติดข้องเราไม่ถูกสูบในแบบแหมคิดว่าอะไรนะ เครื่องสูบมันใหญ่มากแล้วดูดเข้ามาเนี่ยนะตัวเองไม่ถูกสูบ ม, มีความมั่นคงขนาดนั้นแล้วไม่กโกรธในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธไม่ลุ่มหลงรอบรั้วอะไรคือประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์จริงอะไรไม่ใช่ประโยชน์จริงอะไรเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งอยู่ด้วยความไม่เผลอเนี่ยนะอยู่ด้วยความไม่เผลอมีสติมีปัญญาเข้าใจอย่างชัดเจนเนี่ย เป็นไปได้ยังไงเพระพระองค์มีสติสัมปชัญญะอยู่ในดุสิตอันนี้คือความที่พระองค์เนี่ยมีปัญญาเนี่ยนะมีปัญญาเพราะผลพระองค์ที่พระองค์เป็นพระหูสูตรเนี่ยพระองค์จึงมีปัญญามีสติสัมปชัญญะอยู่ในดุสิตมีสติสัมปชัญญะจุติจาก ดสิมีสติสัมปชัญญะอย่างปฏิสนธิในคันมีสติสัมปชัญญะอยู่ในคันตลอด10เดือนมีสติสัมปชัญญะคลอดจากคันมีสติสัมปชัญญะใช้ชีวิตตั้งแต่นั้นจนออกบวชเนี่ยนะไม่เผลอเลยเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่เผลอไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาเนี่ยนะคือบุคคลเหล่านี้คิดอะไรอย่าเราคือคือถ้ามันคำว่าไม่อยู่ในวิสัยของคนทั่วไปเนี่ยนะ แค่ว่าวิสัยของคนขี้โกรธคนใจดีก็ไม่เข้าใจไอ้วิสัยของคนใจดีคนขี้โกรธก็ไม่เข้าใจวิสัยของคนมีปัญญาไอคนไม่มีปัญญาไม่เข้าใจหรอกแต่วิสัยคนมีปัญญาเนี่ยเข้าใจว่าไอคนไม่มีปัญญาเป็นยังไงเขาบอกว่าตาบอดเห็นตาบอดไหมไม่เห็นตาบอดมาตั้งร้อยคนเพื่อจะเห็นคนตาดีสักคนหนึ่งเห็นไหมเอาละตาดีมองเห็นคนตาดีได้ไหมได้แล้วตาดีมองเห็นคนตาบอดได้ไหม บอกได้วิสัยของคนมีปัญญาจึงรู้ในเฉพาะวิสัยของผู้ที่มีปัญญาพันหลายๆอย่างวิสัยในยวิสัยแปลว่าอารมณนะ์วิสัยเนี่ยนะวิสัยความรู้ความสามารถของผู้ใดก็จะอยู่ในวิสัยใกล้เคียงกันนั้นวิสัยของพระองค์เนี่ยดูพระองค์อยู่คารวะวิสัยเนี่ยพระองค์ลุ่มหลงงงงงายอะไรไหมพระองค์ไม่เมาในรูปเลยไม่เมาในรูปประกายของพระองค์ซึ่งระวังงามที่สุดเนี่ยนะใครก็อยากจะเห็นแต่พระองค์เนี่ยนะ แล้วก็สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยั่วยุทั้งหลายรูปสวยเสียงเพราะเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นก็มีบริบูรณ์หมดแต่พระองค์ก็ไม่มัวเมาในสิ่งเหล่านั้นอำนาจเนี่ยนะสุขภาพดีไวหนุ่มไว้น่นเน่ น, เ น, นะเพียบพร้อมไปด้วยสมคราวลาบยศสรรเสริญสมบูรณ์พูนสุขและไม่เมาในสิ่งเหล่านั้นอนะ่ะมันเป็นไมได้อย่างไงเนี่ยนะไม่เมาเนี่ยนะไม่แหมกระจิตใจไม่สยบอยู่ตกอยู่ภายใต้อำนาจ ของสิ่งเหล่านั้นและยังแยกแยะดีชั่วเนี่ยนะยังจำแนกแยกแยะดีชั่วคิดวัตตะคิดวิวัตตะคิดเรื่องความตรัสรู้คิดเรื่องอ น, น, นจนถึงกับเรียกว่าออกบวชแล้วออกบวชมาก็ไม่เป็นลุ่มหลงงมงายในลัทธิต่างๆอีกมาวินิจฉัยใคร่ควรวญเนี่ยนะไอความเป็นพระหูสูตรของพระองค์นี่เห็นชัดเลยพระองค์ใคร่ควรวนว่าอะไรหนอยอย่างเรื่องของมหาพูด มหาพูดไม่ใช่กำหนดแข็งแข็งก็พอนะเนี่ยเออแข็งเนี่ยเนี่ยมหาพูดปฐวีแข็งอาโปเอบอบาบเตโชร้อนวายโย อ, อะไรเนะี่ยตึงไห ว, ไหวแข่งตึงเนี่ยนะท่านคิดอยู่แค่ลักษณะปฐลักณะธาตุสี่ใช่ไหมท่านรู้ทั้งลักษณะ ส, ะสัมภาระสัมมติเนี่ยนะท่านรู้เลยว่าไอ้ลักษณะของปฐวีธาตุทั้งมวลเนี่ยคืออะไร ปัทวีธาตุเหล่านี้อยู่ในสะสัมผาระอะไร <c oughs> อยู่นะที่สมมุติปัทวีว่าอย่างไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะท่านจึงคือลักษณะของปัทวีทั้งหมดเนี่ยนะตั้งแต่ปัทวีในระดับโน้นนะนรกจนถึงโน้นนะรูปประพรมทุกประเภทนี่คือปัทวีธาตุทั้งหมดนะวินิจฉัยสิ่งเหล่านี้โดยทั้งโดยลักษณะปัทวีและโดยสะสัมผารปัทวีอาโปทั้งลักษณะปัอาโปและก็ นะสัมภาระอาโปทั้งอาโปภายในอชิกะแล้วก็พระหิทธะเนี่ยนะทั้งภายในทั้งชนิดภายนอกเตโชทั้งโดยลักษณะแล้วก็โดยสสัมภาระเนี่ยนะวายโยทั้งโดยลักษณะและ ส, ะสัมภาระและสิ่งเหล่านี้มันวิการอย่างไรเนี่ยนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าปฐวีเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นยังไง ถ้าอาโปเปลี่ยนแปลงโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นอย่างไรถ้าเตโชเปลี่ยนแปลงเนี่ยนั้นโลกทั้งโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นอย่างไรถ้าวาโยเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอย่างไรพรานสัตว์ทั้งหลายติดข้องในปฐวีอย่างไรก็เรียกว่าวิจัยเลือกเฟ้นว่าอะไรคืออสสาธ่ของปฐวีอะไรคืออาทีนวะของปฐวีอสสาธอาทีนวะของปฐวีเป็นอย่างไรแล้วเหตุให้เกิดปฐวีแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเนี่ยนะ แต่เราแหมเราพูดอย่างนี้แหมมีมต่ดินมีต่ดินเน่ยเหตุให้เกิดดินเออจะไปเข้าใจ ย, ยากอย่าง น, นไอ้ดินที่มานั่งเป็นก้อนๆ อ, อยู่เนี่ยเหตุมาอย่างไรแล้วมันดูแลอย่างไรแล้วมันจะต้องถ้าแตดั บ, ด, บดับเพราะอะไรแตกสลายเพราะอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรแล้วเอามาบัญญัติเรียกขานตั้งชื่อแล้วให้ความหมายให้ความจากัดความแล้วพิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแนวทางมีอยู่อย่างเดียวว่า บทอันสงบที่ไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าเป็นอย่างไรบทอันนั้นคือพระนิพพานหนทางเพื่อพ้นจากพัทวีเนี่ยคิดอย่างไรคิดอย่างไรจึงจะพ้นจากปัทวีพ้นจากอา่านพ้นจากปัทวีเลวๆได้อย่างไรเกิพ้นจากมหาภูตรูปดินน้ำลมไฟแบบนรกอย่างไรพ้นจากดินน้ำลมไฟแบบมนุษย์เป็นอย่างไรพ้นจากดินน้ำลมไฟของเทวดาเป็นอย่างไรพ้นจากดินน้ำลมไฟระดับ รูปประพรมเป็นอย่างไรให้ถึงอรูปประพรมพ้นจากโดยวิขำพนะเนี่ยนะแล้วพ้นจากรูปทั้งมวลโดยประการทั้งมวลเนี่ยได้โดยวิธีการเหล่าใดนั้นจึงรู้อัาทะของภูต ร, รูปอาทีธนวะของรูปทั้งมวลรู้เหตุเกิดของรูปทุกรูป เหตุเกิดของรูปทั้งมวลในอดีตเหตุเกิดของรูปทั้งมวลในปัจจุบันและเหตุเกิดของรูปทั้งมวลที่จะมีต่อไปในอนาคตและความดับของรูปผู้ที่ดับรูปสำเร็จเนี่ยท่านมีความสามารถดับได้อย่างไรทำเหล่าใดเป็นที่ดับรูปของผู้ที่เขาดับรูปประสบความสำเร็จในอดีตและผู้ที่จะดับรูปต่อไปในอนาคตมีหลักการมีวิธีการอย่างไรผู้ที่มีรูปปัจจุบันเนี่ยัดเอย่างไรจึงสลัดออกจากรูปโดย ประการทั้งปวงล่วงพ้นจากโรคทั้งปวงเนี่ยนะท่านไข้ครวญไข้ ค, รครวค ร, คร ว, วิจัยใไข้ครวญเนี่ยนะรอบรู้ว่ารูปเป็นที่ตั้งแห่งจุติปฏิสนธิอย่างไรขณะปฏิสนธิรูปเป็นอย่างไรเนี่ยใคร้ครวญละเอียดแล้วเอามาตั้งเป็นชื่อได้เนี่ยนะเพราะความที่พระองค์วิจัยรูปแล้วรูปเนี่ยเป็นที่ตั้งให้เรียกว่ารูปประขันรูปประขันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนักขัแล้ววิจัยเหตุเกิดของรูป อัอนน uh ี um ้ความเกิดอันน kind of ี hm oh ้ร uh ูปนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขารนี้วิญญาณนี้เหตุเกิดของรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้เหตุเกิดของเวทนานี้ความดับเวทนานี้เหตุเกิดสัญญานี้ความดับสัญญานี้เหตุเกิดสังขารและก็นี้ความดับสังขารนี้เหตุเกิดวิญญาณและก็นี้เป็นความดับแห่ง วิญญาณแล้วรู้นะว่าอะไรเป็นอัสธาของรูปเวทนาสัญญาสังขารเละวิญญาณรูปแต่ละรูปมันให้สุกโสมนัสอย่างไรเวทนาแต่ละเวทนาให้สุขโสมนัสอย่างไรสัญญาแต่ละสัญญาให้สุกโสมนัสอย่างไรสังขารแต่ละสังขารให้สุกโสมนัสอย่างไรวิญญาณแต่ละวิญญาณให้สุกโสมนัสอย่างไรแล้วรูปมีโทษอย่างไรเหนเวทนามีโทษอย่างไรสัญญาสังขารเละ วิญญาณเนี่ยมีโทษอย่างไรและวิธีเปลื้องตนจากรูปเปลื้องอย่างไรวิธีเปลื้องตนจากเวทนาเปลื้องตนจากสัญญาสังขารแลยวิญญาณเปลื้องจิตพ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นยังไงเพราะจิตเหล่าใดที่พ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยอารมณ์จิตเหล่านั้นเรียกว่าโลกุตรจิตนี่นะแล้วหลุดพ้นจาก สิ่งเหล่านั้นแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยเป็นอย่างไรมีวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นอ่ะอย่างไรเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าแล้วคนอื่นเนี่ยนะท่ามกลางที่โลกที่มืดมิดเนี่ยสอนให้คนอื่นเขาเข้าถึงความเป็นอย่างรันได้ยังไงต้องใช้คําเท่าไหร่เนี่ยนะใช้คำยังไงที่เหมาะกับจิริตอัธยาศัยเนี่ยนะ แสดงยังไงให้เขารอบรู้ในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำยังไงให้เขาตัดอะไรตัดสันธราคาในขันห้าทำยังไงให้เขาตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากขันห้าพ้นจากเหตุสร้างขันห้าแล้วบอกวิธีการปฏิบัติบอกแยกธาตุไอคนนี้ธาตุอะไรนะไม่ใช่ธาตุดินน้ำไฟลมน่ยนะหมายความว่าธาตุแห่งศรัทธาหรือว่าขาดศรัทธา ธาตุของคนมีศรัทธาหรือว่าคนไม่มีศรัทธาคนมีความเพียรหรือไม่มีความเพียรมีสติหรือไม่มีสติมีสมาธิหรือไม่มีสมาธิมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเนี่ยนะพระองค์ไข้ครวนหมดมันและกว่าพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เป็นหูสูตรโดยการพิจารณาเนี่ยนะใครว่าขอบเขตพิจารณาพิจารณาเป็นโลกธาตุพิจารณาสัตว์เป็นจักรวาลจักรวาลเนี่ยนะเอามาทํำปริญญาเนี่ยนะ ถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเคยได้ยินไหมถ้าเป็นแบบกําแพงเมืองจีนเนี่ยต้องใช้ทหารเท่าไหร่จึงจะสร้างสําเร็จเนี่ยนะโอมโหเยอะมากเลยใช่ไหมชันได้พระพุทธเจ้านี่เยอะกว่านั้นใช้วัตถุที่เป็นอารมณ์ของการทําวิจัยเนี่ยพวกเรานี่เป็นอารมณ์ของวิจัยของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วพระองค์ได้ปัญญาแล้ว น, นะนะจะดูว่าพวกเราจะมีปัญญาตามหรอไหนๆพระองค์เอาเราไปเป็นอาจารย์ใหญ่ขิจานาเรียนรู้นะวิชาทางแพทย์เรียกอะไรนะพวกศพทั้งหลายเรียกอะไร เดกอาจารย์ใหญ่ของพวกเราเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่ของผู้มีปัญญาทั้งหลายไปแล้วละ่ะเอ๊ะจะเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ตัวเองได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยนะคิดว่าจะมีปรรัญญารอบรู้สิ่งความรู้เนี่ยมันได้อะไรมาบ้างจากสิ่งเราเนี่ยจากรูปของเราที่มีมอยู่เนี่ยเราได้ความรู้อะไรบ้างรูปที่มีอยู่ทั้งหมดเราได้บุญอะไรบ้างเอาจากชีวิตทั้งหมดที่มีรูปเนี่ยกายยาวานาคืบ อ, อาจจะคืบเศษเศษเนี่ยนะมันอ้วนขึ้นนะกว้างยาววานาคืบเศษเศษเป็นต้นเนี่ยนะ แล้วอถามว่าแล้วน้ำหนักอ่ะก็ว่าไปตามนั้นได้ความรู้อะไรบัางจากเสิ่งเหล่านี้สองได้บุญอะไรมัางเอาพวกนี้ไปทําบุญอะไรมีตาอยู่คู่หนึ่งเอาตาไปทําบุญอะไรบ้างมีหูอยู่คู่หนึ่งเอาหูไปทําบุญอะไรบ้างหูซ้ายฟังเรื่องบาปฟังสอเสียหรือว่าฟังคําด่ามากกับกันอย่างนั้นนะมีจมูกเอาไปดมอะไรมีลิ้นเอาไปชิมได้บุญมั้งหรือเปล่ามีกายส่วนหัวเอาไปคิดอะไรให้เป็นบุญมีส่วน อันนะส่วนข้างซ้ายข้างขวาคิดอะไรเป็นบุญส่วนบนส่วนล่างไม่ทำบุญอะไรได้บ้างเนี่ยนะแล้วมันได้ความรู้อะไรบ้างกาักสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปัญญาเนี่ยนะ